เรื่องฉันผลไม้ที่ปล่อนเมล็ดออกสมัยนั้นของฉันคือผลไม้มีมากมายในกรุงสาวัตถีแต่ไม่มีกัปปิยาการกภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ฉันผลไม้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้ผลไม้ที่ปล่อนมเมล็ดออกแล้วยังไม่ทำกับปะก็ฉันได้